ขอความเจริญในธรรมจงมีแน่นท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโปธิญาได้นำเสนออธิฐานบา ร, รมีมาหลายครั้งแล้วก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังในความเป็นธิฐานบา ร, รมีก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากทานจากศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของพระเจ้าเนมิได แล้วของบุคคลอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้เราพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญธรรมะในแต่ละข้อนั้นผู้สังเกตว่ามันไม่ได้มีข้อใดข้อหนึ่งแต่จะมีข้อหนึ่งเป็นหลักแล้วมีข้อข้ออื่นเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนก็ทํานองคล้ายๆกับเราจะเดินเนี่ยเราจะเดินหรือเราจะดูหรือเราจะฟังประชาส่วนอื่นก็เคลื่อนไหวตาม แต่เคลื่อนไหวในฐานะเป็นตัวสนับสนุนฉันต้องการจะดูเนี่ยเท้าก็ต้องสนับสนุนหูก็ต้องสนับสนุนมือก็ต้องสนับสนุนเส้นเอ็นประสาททั้งหลายในร่างกายเนี่ยก็ต้องสนับสนุนแต่แม่งก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้มันก็ดูไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการแบบธรรมชาติ ดังนั้นวันนีก็คงจะพูดเรื่องบารมีข้อที่เก้านะก็อข้อที่เก้าที่จริงก็เรียงตามลำดับบารมีเพราะว่าเวลาเรียงแบบทศชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เก้าหรอกเพราะว่าเป็นการเรียงคนละแนวกันคือไม่ต้องไปติดใจนะว่าบารมีไหนบารมีก่อนหลังใครจะจำข้อไหนก่อนก็ได้เพราะจริงๆบารมีหลักเนี่ย เจื่สมมตว่าในความเป็นทานมันก็มีสัจจะมีเมตตามีขันติมีอธิษฐานมีศีลมีเนคขมะอยู่เป็นตัวสนับสนุนอยู่ไม่ใช่ว่าเราทำไปเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในเมตตานั้นท่านก็นิยามไว้ด้วยโครงสร้างเดิมนั่นแหละท่านบอกว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณแล้วาย ท่านจงสมาทานเมตตาบารมีจงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาที่ว่าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณอันว่าฝนตกแล้วย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปเสมอกันในเลือกที่ชันใดท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งในสัจจุลและมิตรย่อมชำระล้างมนทินคือทุลีออกไปถ้าจงแผ่เมตตา ไปให้สม่ำเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลท่านบำเพญ็ญเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุพระโพธิญาณได้นี้ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเตือนจิตใจของพระโพธิสัตว์รเราเห็นว่าเมตตาบารมีก็คือความไม่ประทุษ ร, ร้ายและความไม่โกรธนั่นเอง บางทีท่านเรียกว่าอธุสัจที่แปลว่าความไม่ประทุษร้ายให้เราสังเกตว่าในทศพิธราชธรรมท่านเรียกว่ า, าโกทัคือความไม่โกรธก็เพื่อขับเคลื่อนจิตเข้าสู่เมตตาธรรมนั่นเองแต่ถ้ายังโกรธอยู่มันก็เลิกพูดเรื่องเมตตาเพราระว่าความโกรธนั้นเป็นข้าศึกหลักยังข้าศึกโดยตรงต่อเมตตา ความโกรธก็ดีอาฆาตก็ดีผลาบาดก็ดีจองเวรก็ดีไม่พอใจก็ดีไม่ยินดีก็ดีเนี่ยพวกนี้เป็นอุปสรรคของเมตตาทั้งนั้นแล้วบางครั้งแม้แต่กามราคานะเนี่มันก็เป็นศัตรูที่ใกล้ชิดกับเมตตาจนเราอาจจะเกิดสับสนได้นะบางทีไม่ใช่เมตตาหรอกมันเป็นกามราคะเช่นว่าเรารักคนรักสัตว์รักสิ่ง โดยมองไปที่ความสวยงามความประนีตความมีศินของบุคคลเล่านั้นทำไปทมามันเกิดอยากได้น ะ, ะเราสังเกตว่าทำไปทมามันเกิดอยากได้ถ้าอยากได้แล้วก็แสดงว่าจิตมันเหวี่ยงไปสู่กาม ร, ราคะส่โลภะแนละ้วมันไม่ใช่เมตตาเมตตาเป็นการอภิบาลต่อ บ, บุคคลอื่น แต่ว่าความรักเนี่ยมนันจะมุ่งตอบสนองความต้องการของเราบางทีก็แยกไม่ค่อยออกกะวันก่อนก็ยังคุยกันถึงเรื่องปัญาวินัยบางประการเนี่ยคือเราจะเห็นว่าถ้าเราถือตำตัวอักษรแล้วเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยจะมวินัยที่เกี่ยวกับการรับเงินรับทองเนี่ย เพราะมันมีคำภาษาดีเยอะแยะคือยินดียินดีซึ้อเงินทองเดี๋ยวเก็บไว้เพื่อตนมันก็ต้องอบัตตด้วยกันแต่ว่าที่พระเราปฏิบัติมาได้เนี่ยเพราะว่ามันมีเมตตาการุญาติคือเมตตาการเศรษฐีตาเนศว่าตาพระคืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไม่รอดหรอกือไปไหนไม่ได้ก็เลยข อ, อพรพิเศษ ให้มีบุคคลสามารถรับแทนได้แล้วก็สืบต่อกันมาได้เจตถารมรักษาบริสุทธิ์หมดจดได้ไหมมันจะยากเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่รับเองนะแต่ให้คนรับก็ไม่ยินดีอะไรหรอกถ้าดูใจธรรมดาไม่ยินดีอะไรแต่ต้องดูว่าถ้าเด็กทำหายนี่มันเกิดเสียดายหรือเปล่า ถ้าเสียดายก็แสดงรายินดีมันหรือว่าโกรธเด็กหรือเปล่าถ้าโกรธก็แสดงว่ายินดีมันก็ยินดีมั็นคู่ก็ยินได้เนันบางครั้งบางคราวเราก็เองมาเป็นเงื่อนไขในการโอ้โอวดในการข่มคนอื่นในการดูหมินคนอื่นเพียงเพราะว่าคนอื่นไปจับหรือคนอื่นไปรับเออตัวเองแล้วก็แยกน้ำหนัก น้ำหนักเบาเบาหนักไม่ออกเนสุดก็หาเรื่องเพิ่มบารไปแก่ตัวเพราะในการมองธรรมะนี่ยจึงบางทีไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งการทำความเข้าใจกับเมตตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบางทีเนี่ยมันไม่มีใครที่ทำให้ท่านขัดใจ ท่านก็แสดงเมตตาเมตตาต่อคนนั้นคนนี้ถ้าต้องการอะไรท่านก็ได้ตามถ้าต้องการจะใช้ทําอะไรเราก็ทําให้ท่านทุกทีท่านก็เมตตาก่อเราเพราะเราทำประโยชน์ต่อท่านแต่เมตตามันไม่ได้ใช้อย่างนั้นอย่างเดียวนะฮะคืออย่างนั้นก็ใช้แต่ว่าอย่าลืมมาท่านเน้นไปที่ว่ามันมือก็ฝนตกนี่มันไหลผ่านอะไรก็ตามมันจะทําให้ สิ่งเหล่านั้นเย็นเหมือนกันแล้วก็เปียกชุ่มไปด้วยกันไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังต่อใครเมตตาท่านจึงแสดงว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์มีสัตว์ตัวไปเป็นอารมณ์คือไม่ได้แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาวความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเมตตาเราพูดเรื่องเมตากันเยอะ แต่เราจเจริญเมตตาได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นอัตตาตัวตนความเป็นเราเป็นเขาความเป็นพวกเราพวกเขาเนี่มันอยู่เยอะอาตมาก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพตั้งนานแล้วนะแต่ความรู้สึกประทับใจไม่ค่อยมีอยู่บางครั้งบางคาวเราหดหูด้วยทำเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเป็นเราเป็นเขาเยอะเหลเือเกิน บางวัดเนี่ยสมพานอยู่จังหวัดหนึ่งนี่ลูกวัดจะอยู่จังหวัดนั้นเกือบทั้งหมดแสดงว่าเรากับพวกเราท่านนั้นเองทั้งๆที่วัดเนี่ยเป็นสาธารณะสถานสาธารณะสถานแล้วก็บุญบุญยาสถานโดยเฉพาะความเป็นสาธารณะสถานเนี่ยมันทั่วไปแก่กลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายแล้วผู้สร้างเองก็สร้างเพื่อสงที่มาจากจากตุรัทิศ แต่ในภาคสนามเนี่ยเราเห็นความคับแคบที่ชัดเจนมากในเรื่องเหล่านีน้บางแห่งขนาดว่าพระมาจากต่างจังหวัดจะมาขออยู่ในท่านให้อยู่แต่มีข้อแม้ต้องสึกบวชใหม่เลยโอมนน่สลดนะบางครั้งก็ให้อยู่แต่ในฐานะเป็นพระผู้อาศัยในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราก็เป็นผู้อาศัย ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดนะนะเพราะโลกนี้เรายังเป็นผู้อาศัยเลยนับภาษาอะไรกับ ว, วัดโลกนี้ประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอาศัยทั้งหมดเลยเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่เพราะความคข้าแคบในจิตใจมนุษย์มันก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาแต่แสดงทีท่าเมตตาอะไรอะไรออกบางบางทีมันไม่ได้มีเมตตาอะไรตอนนั้นวันก่อนเนี่ย บรรยายเรื่องก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็เชื่อมโยงไอ้สิ่งต่างๆให้เขาฟังแล้ลงมาเจอก็โยมก็บอกว่าธรรมะนี่เข้าใจยากจริงว่ยิ่งอธิบายลึกลงไปแล้วยิ่งเข้าใจยากแต่ที่สําคัญเนี่ยยิ่งคือปฏิบัติยากบอกว่าใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ย ธรรมะพอถึงภาคปฏิบัติเนี่ยยานเดชจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องนางเวเทีกาที่ตอนที่ว่าด้วยเบคาเนียนะไม่ใช่ตอนที่ว่าด้วยคันติเนี่ยคือเมื่อคนเอาอกเอาใจท่านทนุถนอมน้ำใจท่านไม่ให้เสียความรู้สึกเนี่ยท่านรักษาความดีไปได้ตลอด ไ อ, ไอพื้นจิตจริงๆมันไม่ออกมาเพราะไม่มีตัวกระตุ้นให้ออกมาแต่พอดีนางทาสีคือนางกาลีเนี่ยแกไม่เชื่อว่าคุณนายของแกจะดีขนาดนั้นสงสัยว่าเพราะไม่มีอะไรมากระทบหรือมั้งแกก็ทดสอบดูแต่การนอนตื่นสายสามวันนั้นเองได้เรื่องถูกนางเวเทกาตีหัวแตกเลยเพราะว่าเรียกแล้วไม่ยอมลุกขึ้น นั้นแสดงเห็นว่าขันติก็แตกเมตตก็แตกและอุเบกขาก็แตกคือธรรมะมันจะแตกหมดเลยไม่ใช่แตกเฉพาะขันติแต่ธรรมะคือเมตตาก็มีกำลังไม่พอไม่มีการอาภัยไม่มีการอดทนไม่มีการเมตตาไม่มีอุเบกขาไม่มีอธิษฐานไม่มีอะไรเลย เพราะอะไรเพราะกิเลสไปทำหนะ้าที่แทนสั่งการแทนดังนั้นในแง่ของเมตตาเนี่ยก็คงจะต้องขยายหลายวันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเมตตาเนี่ยเมายังมองอยู่ว่าเราไปมองเชื่อมโยงราพระพุทธภัิสิทธิวิจารงสแดงแล้วก็ ในการต่อมาเนี่ยดูที่ศีลดูที่ศีนั่วดูที่องค์ธรรมคือจนสามารถสรุปได้ว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันโดยเมตตาได้เนี่ยโลกจะเข้าสู่สันติโดยอัตโนมัติเพราะในโครงสร้างของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราลองสังเกตว่าไม่มีในาศาสนาอื่นนะที่มีบทบัญญัติในลักษณะ น, นั้นทรงใช้คําว่ า, าปานะ แปลว่าสัตว์ที่มีลมหายใจขับออกหือสิ่งสัตว์และสิ่งที่มีลมหายใจขัาออกก็หมายความว่าพุทธบริษัทเนี่ยระดับทั่วไปคือไปทําลายชีวิตสัตว์ไม่หละระดับที่ประณีตคือเป็นภิกษุกับภิกษุณีทําลายพืชเด๋ยวไม่ได้เพราะพืชเขาก็ไมีลมหายใจเหมือนกัน เช่บไเด็ดใบขาเนี่ยเขาก็เจ็บเหมือนกันเพราะนั้นพระจึงไปตัดกิ่งไม้หรือมาเอาแต่เด็ดใบไม้สักใบเนี่ยยังไม่ได้เลยนั้นแสดงถึงการมองที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มีความเป็นสากลในด้านศิลธรรมจรรยาพอไม่แผลไม่ตาก็จะเห็นว่าขึ้นสเสัศตา แปว่าสัต์ทั้งหลายทั้งปวงเลยมองที่เมตตาก่อนเพราะถ้าเมตตามันเดินได้ละมันเดินได้หมดให้ลองสังเกตในเรื่องศีลก็ได้นะฮะที่จริงเราเมตตาตัวเองก่อนแล้วก็ขยายเมตตาเหล่านั้นไปหาคนอื่นคนไหนที่เราเจริญเมตตาได้ง่ายก็เจริญไปในคนนั้นก่อน จะยกตัวอย่างว่าเราเมตตานายกอต้องถามใจเราดูนะว่าเราฆ่านายกอได้ไหมลักทรัพย์นายกอได้ไหมด้วงเกินคู่ครองนายกอได้ไหมโกหกกับนายกอได้ไหมยุยงนายกอเกิดแตกแยกกับครอบครัวได้ไหมด่าว่านายกอได้ไหมมันไม่ได้ไปหมดเลยโดยธรรมชาติธรรมชาติจิตที่เมตตาเนี่ยมันจะดึงธรรมะจํานวนมหาศาลเข้ามา แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆสามารถจะมองในมุมเราอื่นเอาเราล่วงเกินทรัพย์สินเขาไม่ได้แล้วเมื่อสิทธิ์เนี่ยทรัพย์สินเขาไม่ได้สมมติว่านายกอลืมเงินเดิมกระเป๋ า, ปาเงินทิ้งไว้เนี่ยเรารู้เป็นของนายกอเราเก็บไปให้เลยต่อมานายก็เกิดขาดแคลนเงินเรามีเงินเราไปช่วยเขาเลย เห็นไหมมันจะออกไปเองเลยอัตโนมัติพอไอตอนช่วยนี่มันไม่ใช่สวัสดีภาพแล้วมันเป็นสวัสดีการละจิตใจมันเริ่มปกแผ่ให้ความสงบเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยไปต่อมาลูกนายกองไม่มีค่าเทิมเรามีเงินเราก็ช่วยไปถึงลูกแล้วเมียนายกอเกิดมีอันตรายมีคนเขาลวนลามเราไปปกป้องบางครั้งอาจจะถึงบาดเจ็บนะ ก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองคนเ่านะั้นนั่นคือลักษณะที่ประณีตเดี๋ยวใครโกหกหลอกลวงนายก็ลูกนายกมีนในายกอพ่อแม่นายก็ไปหายไปเลยมันจะเป็นลักษณะเลื่อนไหลคล้ายๆกับต้นไม้ที่มันสูบอาหารมาจากใบจากรากเนี่ยมันเลี้ยงไปหมดท้งลำต้นธรรมะเองก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทํายังไงจะสร้างเมตตาจิตขึ้นมาได้กลายเป็นปนัญหาใหญ่เลย สังคมไทยเราเป็นสังคมที่เคยสัมผัสลึกนะสัมผัสเมตตาได้ลึกมากแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความอ บ, บอุ่นเหล่านี้ความเยือกเย็นสงบเย็นเหล่านี้มันจางไปแม้ภายในวัดวาอารามเองก็จางไปนะถ้าเร า, าเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในต้นตนรัตนกโกสิลป์คือสองร้อยกว่าปีที่แล้วมาเนี่ย เรามองที่นิราชนรินดันั้นซึ่งนะฮะนิราชนรินเราจินตนาการเราเห็นภาพความสงบเย็นมันไปเชื่อมโยงมาเป็นแถวมาเลยเชื่อมโยงมาจากพระปณิธานของพระเจ้าตากสินแล้วพระราชปณิธานของพุญจยอดคว้าจุฬาโลกแล้วก็กลายเป็นหลอ่อหลอมขึ้นมากลายเป็นวิถีสังคม มันกลายเป็นเศรษฐกิจเป็นการเมืองเป็นสังคมโดยมีศาสนานำซึ่งในช่วงสุดท้ายของจารึกพระเจ้ า, พ ร, จาพระเจ้าตาินนี่ที่บอกว่าคิดถึงพ่อเพราะอยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์ศาสดาขวากว้คูข่ขัน เป็นราชพินัยกรรมที่สั่งเสียให้คนพยายามผนึกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้เป็นสถาบันหลักของแผ่นดินมาถึงยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราชก็มีพระราชบณิฐานไว้ในนิราธาดิตแดงที่ว่าตั้งใจจุปธรรมพกยอยกพระพุทธศาสนา องการขอบคันะศีมารักษาประชาชนและมนุรีแล้วก็เดินอย่างนั้นจริงๆคือศาสนานำตลอดศาสนานำเศรษฐกิจศาสนานำสังคมศาสนานำการเมืองศาสนานำการทหารตลงว่าศีลธรรมมันก็แทรกไปทุกอันข้าพยศของความเป็นสังคมในนิราชนรินบาทแรกบทแรกสองบาทสุดท้าย บุญเพลงพระหากศรลศาสตร์รุ่งเรืองแห่บางกบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจมือบางกบายก็คือปิดประตูนรกเบิกฟ้าก็คือเปิดประตูสวรรค์ด้วยวิธีใดด้วยฝึกฟื้นจิตใจของผลมืองทีนี้การฝึกฟื้นจิตใจของผลเมือเนี่ยมันมาตั้งแต่นู้หนหะสุขโขทัยมาแล้วปลูกไม้ตรีอย่ารู้รางสร้างกุศลอย่ารูรย นั่นก็คือเมตตาไมตรีต่อคนอะไรหลายไมตรี ori, นั้นมันเป็นธนกิจตนั่นเองนะเมตตาเป็นภาษาบัลีแต่แม้แต่มิตรมันก็มาจากคำว่าเมตตาเมตตาไมตรีมิตรมันก็กรอบครอบข่ายความหมายก็อย่างเดียวกันจนถึงมีการพูดกันว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีอมิตรีแลกได้ทั้งใจจง เดี๋ยวสมเด็จประมาสํมนาเจ้ากรมยาวิชานรู ร, รถก็มาส่งสรุปไว้ในตอนหลังว่าไม่ตาทำค้ำจุนโลกซึ่งก็ที่จริงก็สรุปความจากพระพุทธธรรมรัตนนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าการไม่บิดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายด้านเป็นความสุขในโลกเพราะในภาพในการนาภาศาสนา วัดวารามต่างๆนั้นมันมีแรงบันดาลใจสูงมากมีความประทับใจลึกถึงเราก็จินตนาการไม่ค่อยออกนะทุกวันเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะทอนภาพในวัดในเมืองหลวงนี่แหละแ ต, แต่ว่ายุคอายุทยาอายุคต้นรัตนโกสินทร์เท่านั้นเองข้อความที่ว่าเรืองเรืองไตรรัฐพ้นพั น, พนแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเชาว เจดีระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์โบรระเบียงมาดกพื้นภัยหานธรรมาสาลาลานพระแพ้วขอไตรระคังขานภายข่้าไขรปทิพโคงแก้วกัมพ้าผื่อนจันมันกลายเป็นดินแดนแห่งภาคกาสาวพัทที่ปรับจิตของคนให้มีความสงบเย็นด้วย เมตตาแล้วก็ขันติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าองค์การสัพพิชาชาที่มีมติให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลเนี่ยเราก็มองเห็นการพัฒนาสังคมหรือการนำสังคมของพระพุทธเจ้าด้วยขันติและเมตตา ซึ่งก็ตรงกับปรัิญาขององค์การสหปรชาติอุดมการณ์ขององค์การสหประชาชา ต, าององาชาติที่จะนําคนเข้าสู่ยุคของเมตตาและก็ขันติคืออดการอดทนแต่เราจะเห็นว่าองค์การปัะชาชาติก็ไม่ไประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วก็เหมือนกับพระพุทธศาสนาในยุคพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ยุคสุโขทัยเนี่ยเราก็ประสบผลได้ลึก แต่พอถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ประสบผลเลยนะฮะทั้งเมตตาทั้งขันติกอไม่ใช่เลยหรอกแต่เราสับสมเปิดผลได้น้อยเราแม้แต่วงการของคณะรงเองเราก็ไม่ค่อยมีปมจุดเด่นของเมตตาและขันติจะมีแต่เรื่องราวอะไรไม่รู้ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ฟอร์มกันแต่นั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะคน ภารกิจของพุทธศาสนิกชนไม่ใช่เกณฑ์ในคนอื่นเขาทำแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาในการปฏิบัติในการเผยแผ่และในการดูแลระรศาสนาโดยมีเมตตาเป็น เ, เรียกว่าปุเรจาริคือ น, นำไปข้างหน้าทักฟังทั้งหลายแต่หล ร, ระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครนันี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไบูรณธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเัวกันทุกท่านสวัสดี